ياقُولُنَا يا وَهِلاَ ن َ إ ِ ن َّ ك ُ ن ََّ ا ل ِ م ِ ي ن َ و َ ن َ ع ُ و ل مَوَاتِنَا ل ق ِْ ت َ ل ِ ي َ و م ِ الْقِيَامَةِ قِصْتَ ل َِ و م ِ الْقِيَامَةِ ولا تظلم نفس شيئا وإن كان م ط ا ل حبة من خردل وإن كان م ا ل حبة من خردل من ط أتينا منها من قد لأتينا بها، وكفابنا حاسبين، و ك ف ى ب ن ا حاسبين. و ل َ قد آ ى ى ت ي ن ا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرًا ت ي وضياء وذكرًا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، وهم من ا ل س ا ع ة مشفقون، وهم من الساعات مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلنا، أَفَأَنْتُمْ لَهُمْ ك ِ ر ُ و ن َ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب إشرحي ل صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وَإِلَيْكَ ا, أ الله ل ن ُّ ش ُ้ ر นคันนุชูร์อ้างอุ ا ت ا ั ل ิมัติลลาฮิตาลามِ مِنْ شر مَا خلق. بسم الله الذي لا يضر. م َ اسمه شيء في الأرض ولا َ في السماء. وهو سميع العليم. رضيت بالله رب. فبالإسلام دينا وبوحامد الرسول. اللهم إني أعوذ بك من الكسل ว hmm. ัสูอ um. ิลค SI> ีบริรับบ่เอายงดุบค่ะมิ่งอาดับิมฟินนารีว่าดับิมฟินลับรีซุลามุอะลัยคุมาระห์มัตุลลอฮ์วะบาราคพี่น้องที่ร่วมนมาสซุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับ alhamdulillah เราต้องชุดีต่ออัลลอฮ์นะแตหากเราดีใจถ้าเสียใจก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ เช่นฝันฝันดีฝันดีกับฝันร้ายเนี่ยฝันดีมาจากอัลลอฮ์ถ้าฝันร้ายเนี่ยมาจากชายปอนท่านนาบีได้สอนนะสรุปจากสองฮะดีสุดกัน <c oughs> ถ้าฝันดีเนี่ยให้ทาําห้าอะไรใชถ้าฝันร้ายให้ทําห้ารายการถ้าฝันร้ายนะให้ทําห้ารายการรายการที่หนึ่งก็คือ เมื่อลืมตัวขึ้นมาเนี่ยให้ทมน้ำลายไปทางซ้ายมือข้อที่หนึ่งข้อที่สองให้อ่านนะครับออซฺบิลลาฮิมันัชอนิร์ีมฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาบแช่งเพราะฝันของเรานั้นเป็นฝันไม่ดีนะครับข้อที่สามให้ให้พริกให้พลิกตัว ให้พลิกตัวนะเช่นเรานอนอยู่ในท่างหงายฝันโอ้โหเนี่ยฝันไม่ดีเลยวนเนี่ยให้พลิกตัวเองให้เปลี่ยนท่านอนให้เปลี่ยนนะท่านอนในทาน่าเริ่มนอนใหม่ๆนอนอยังไงนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางปิดหลักเนี่ยท่านี่ดีที่สุดนะแล้วก็เอามือขวานี่วางที่แก้มแก้มขวาแล้วก็นอนข้อที่สีเนี่ยนะห้ามเล่า ฝันไม่ดีเนี่ยเวลายุคบิรุอาหะดันภาษาหะดีสนะอย่าบอกให้ใครรู้อย่าเล่าให้ใครรู้นอกจากคนที่เรารับไม่เล่ามาดีกว่านะข้อที่ห้าเนี่ยให้ลุกขึ้นมาแปลงปันอาบน้ำน้ำมาแล้วก็มานมาสองระดับหรือสีร่ระ ด, ดับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์กำลังน้ำมาจากอัลลอ์อย่าให้ฝันของฉันคือเนี่ยอย่าเป็นความจริงเลย อัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองนี่ความฝันนะครับเพราะความฝันนี่มาจากอัลลอฮ์ถ้าฝันไม่ดีมาจากไซตอนให้ทำดุลข้อนะห้าคออาจจะทดุลิละอย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยนะครับอย่าไปเล่าให้ใครฟังเจครับไม่เล่ามาดีดที่สุดแล้วขอดถวายต่อ Allah อัลลอฮ์เองนะพี่น้องครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านไม่อยู่อะมันดีทุกอายะห์แหละ แต่อายาที่เราเห็นจับได้ต้องได้ก็คืออายาที่สี่สี่ขอทวนนิดหนึ่งนะอันนอฟลายารานะอันน่นัิลอรอนังกุสุฮามินอตร า, าิอฟฮุมุลกลิบุนอายนี้ดีมากนะพี่น้องอัลลอฮสอนนะครับพีกุนอ่านบ้วว่าพวกเขามาทุกคนกาเฟ คนที่แอนตี้อิสลามไม่เอานนบีมุฮัมมัดไปเอาอัลลอฮ์ไม่เอาระซูลจนจนจนปัจจุบันนี้เนี่ยนะพวกเขาไม่ได้พิจารณาบ้างหรือว่าเราเนี่ยได้มุ่งมายังแผ่นดินเราได้ตัดทอนคำว่าตัดทอนไปน้องตัดทีละเล็กทีละน้อยแผ่นดินนะแล้วก็เอามาให้ใครอ่ะเอามาให้ กุณอ่านมันจะพูดว่าให้ใครนะตัดทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยถ้าตัดไปไหนแต่ติฟิ์อธิบายว่าตัดเอาออกมาจากกรรมสิทธิ์ของคนที่ไม่ใช่มุสลิมและเอามาว่าอยู่ในมือของมุสลิมทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยอาฟหูมุลรอริบุนพวกเขายังจะชนะอีกหรือ อัลลอฮฺอักบัดน้องเห็นหรือยังครับนี่อัลลอฮฺสอนในการพิจารณาไม่ให้มุสลิมนะ่ะท้ออกท้อใจพ่อถูกดา่าถูกตำหนิถูกรังแกใช่ไหมตรงนั้นถูกทําลายตรงนี้ถูกฆ่าตัวนั้นถูกระเบิดมุสลิมถูกทั้งหมดบางทีกับมุสลิมกับมุสลิมเล่นงานกันเองก็มีพ่อถูกอะไถูกขปั่นหัวง่ะเอาเงินจ้างบางเอาผู้หญิงจ้างบางเอาตําแหน่งจ้างบ้างเพราะว่า ทั้งหมดเหล่านี้นบีเคยถูกมาก่อนแล้วทั้งหมดแต่นบีรับไหมเงินรับไหมผู้หญิงรับไหมตำแหน่งรับไหมไม่รับฉันทํางานาศาสนาของอัลลอฮ์สอนให้คนมี إ ي م านฉันทำแบบนี้ตอนนี้พวกเราถ้าเดินตามนาบีจริงๆเน่ยปัญหาไม่เกิดมันมันไม่เกิดเราไม่ได้เอาสุนนัขนาบีมาใช้ในชีวิตประจําวันใช่มที่เราได้ถูกลอเกันวันเนี้ยอ่เพราะฉะนั้นกูอ่านอายานี เอาหล่อสอนดีมากนะเราค่อยๆตัดทอนเอาออกทีละเล็กทีละน้อยเอาไปไหนอ่ะอุลมะอธิบายตับซิดอธิบายว่าเอาไปไว้อยู่ในกามือของมุสลิมอัลฮัมยุลิลาพี่น้องแล้วพวกเขาจะชนะอีหรือชนะโลกดุญญนยาไปนี้ดูไปเรื่อยๆนะมุสลิมจะครองโลกมุสลิมจะครองโลก คุณธรรมจะครองโลกเพราะว่าอิสลามจะครองโลกบางคนไม่ไมไมพอใจคุณธรรมจะครองโลกต้องสบายใจยิ่งกุ๊กยิมามอ่านมตุตะกี้เนี่ยอัลลอต์น้ำตา ม, ตามาันจะไหลเอาต่อมาวันนี้ครับอายะที่สี่สิบหกวลอิมมทซัตุมนฟะตุมินผมนี่ไม่สบาย ภาวนไปหาหมอมาฉีดย่าไข้วัดอย่างแรงนะครับว่าอิมัสต์ฮุมนับฮะตุมในอาซาบิรับ บ, บิละย่กูลุนยาไวล์นาอินนักุนน اظر ิ ว่าแล้วอิมัสมัติหุ่มน้ำผึ้งตุมในน้ำตาบิรับบิคแล้วَะพูดลุนยาไวล์นาอَนตุนอัลโวลีมมาดูคมแปรกับทากทาหกแล้วอินเนี่ยทาหกมัซ มัสซัตโฮมมัสซัตแปลได้หนึ่งแปลว่าสัมผัสมัสซัตแปลว่าแตะหรือว่าลมพัดมาถูกก็เรียกมัสซ่าหมดแล้อ่ามัสซ่าแปลว่าแตะสัมผัสจับมัสซ่านะครับอะไรมาสัมผัสอะไรมาแตะอะไรมาถูกนัพฮาตุลนัพฮาแปลว่าการหายใจ หรือว่ากลิ่นไอหรือว่าลมเป่าได้หมดเลยครับถ้าหากว่าลมหรือว่ากลิ่นไอหรือว่าหายใจนี่ภาพ้องวันเตียมะเอาลอนเล่าถึงภาพวันเตียมะนะครับพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมามาอยู่ที่ทุ่งมาชัดนี่นะครับคนกาเฟท่ที่ไม่เอาอิสลาม คนกาเฟี่ดูถูกอิสลามหรือมุสลิมที่เอาแต่อัลลอฮ์แต่ไม่เอาสุนนะนบีก็เยอะฉันยึดคุรานอย่างเดียวฉันไม่ยึดนบีมุสลิมนะครับที่ไม่เอาสุนนะนบีอ่านกุรานไหมอ่านกุรานเชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยไม่เอามาจากท่านนาบีเหมือนก็ดูถูกนบีเหยียดหยาดนาบีแต่ซลวาสนาบีซลวาคือาลาบาผิดด้วยนะ สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาบิุนอาลลอฮุมะศลิลอาลัยมุฮัมมัดวะละลัยฮิวะสุตไม่พูดไม่พูดท่านพูดอย่างเนี้ยเอ็งจะทำไม่ได้ก็ทําไม่ถี่เราก็ไม่ว่ากันอันนี้มาเจออายะนี้สอนดีนะถ้าหากว่าคนที่ไม่เอาศาสนาที่แอนติสุนนาร์บีคนที่แอนตีิคุรานอัลลอฮ์เนี่ยนะเวลาเขาฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพไปยืนอยู่ที่ทุกม่าชัดเมื่อ เมื่อการหายใจเมื่อลมเป่าหรือหัวอะไรเนะี่ยหรือกลิ่นไอของไฟนรกอาซาบิโรบบิกอาซาเปรวการทรมานของพระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยมัสัมมาสัมผัสเพียงได้กลิ่นเท่านั้นเองคุณน้องเพียงได้กลิ่นการลงโทษจากอัลลอสุบฮานาห์วะตาลา เพียงได้กินกินการลงโทษมาแล้วยังไม่เห็นตัวนรกยังไม่ได้เห็นตัวการลงโทษได้กลิน่นได้กลิน่นได้กลิน่นพี่น้องนี่อัลลอฮ์เล่าภาพให้เราเห็นว่าคนที่แอนตี้ศาสนาอยู่บนดุนยานี้พี่น้องอยู่อย่างมีความสุขความสําราญไม่นึกถึงอัลลอฮ์สุบไบยังไม่เตือนเลยเนี่ยเมื่อคืนนี่ดูละครจะไปเที่ยวบาร์กลับมาตีสามจะได้มา จะนามาแต่หัดหยุดไหวน้องก็นอนนินตัวเก้าโมงนี่คนอย่างงี้มันดูถูกน้นะดูถูกตัวเองทําลายตัวเองใช่ไหมนี่คนเหล่านี้นะไม่เตาบ้าตัวถ้าเตาบ้าตัวจะทำอยุ่แล้วแต่ถ้าไม่เตาบ้าแหละตายในสภาพเนี้ยนี่อรรถเล่านะบางส่วนของการลงโทษไหนทุ่งมาชัดในวันตียมะว่าจะอิมัสซัตฮุมนับฮะตุมินอัจบิรับบิ และถ้าหากลมเป่าหรือการหายใจแห่งการลงโทษของพระผู้อภิบาลของท่านมาพัดถูกพวกเขาหรือเพียงแต่ได้กลิ่นไอของการลงโทษอัลลอฮฺอักบัตพี่น้องครับนี่มันภาพที่อัลลอฮฺเล่าให้ฟังแล้วมันเรื่องจริงทั้งหมดพวกเราวันนี้พอรู้ความมุสลิมถูกถูกรังแกใจเสียไหมใจเสียครับมุสลิมถูกูรังแก เราใจเสียอยู่คนละประเทศน่ะพอได้กินอาจานังซื้อพิมพ์ได้กินจากอะไรนะจากทีวีช่องเจ็ช่องแปช่องเก้าอธิบายมุสลิมถูถกอะไรนะถูกถลม่มบางคนร้องไห้ไปลุกขึ้นอะไรนะนมาศขออุอาร์ต่อร้อะแยกๆไปหมดเถอะบางคนภาษาใจเออไอแคร์มุสลิมประาใจมุสลิมก็มีแต่คนที่เป็นห่วงสังค ม, มเนี่ยยังไงนะเขาไปอาบน้านำมาศไปขอดุอาร์ต่อร้องนมาสวกาดกระกะอัด มีอุลามะอยู่หลายหลายคนนะครับนี่ภรรยาเขาเล่าเองบอกว่าท่านเป็นอะไรอ่ะพอตื่นเช้ากมมาได้ยินตัวอินนาลิลลาวาอินนาอิลลาฮิราะญิอูนใครตายบอกม่มีใครตายหรคนต่างประเทศมีปัญหาก็ทะเลาะสามีอยู่ประเทศเมืองไทยเนี่ยแต่เหตุเกิดขึ้นที่อียิปต์เนี่ย อินน่าลิลาา ล, ลาห์อินนาอิลัยฮิร์ร์เจลนั่นน่ะวิญญาณของเป็นมุสลิมเขาเป็นห่วงคนใช่ไหมคิดตังครับเนี่ยคุณอานุญาี้เตือนเรานะนั่นอยู่บนทุ่งมหัศเวลาได้ได้กลิ่นไอของการลงโทษของอัลลอฮ์ได้กลิ่นนะทพียงแตลมพัดมาเท่านั้นเองยังไม่ได้ถูกจริงๆริอเพื่นน้องเพียงแต่ได้กลิ่นเนี่ยว่ายังไงนะเอามาดูว่าไงนะพูดดีจะพูดชั่วดูสิ ลายากูลุนแน่นอนพวกเขาจะรีบกล่าวกล่าวว่าไงยาวัยลานาความวิบัติแก่เราเอย๋ยความวิบัติแก่เราเอย๋ยอินนากุนารอลีมีแท้จริงเราเป็นผู้ประพฤติชั่วเราเป็นคนรลอง ต้องการจะบอกให้รู้ว่าเองตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยเองหัวเราะเยอะมุสลิมมาเยอะเรื่อใช่ไหมดูถูกอ AH ัลลอฮ์ใช่ไหมดูถูกเราซูลใช่ไหมพวกซูล น, นาทะเลาะ ก, กันเองสมนำหน้าดีอยู่แล้วออกมาจากปากเราตลอดเวลาวันนี้ก็เหมือนกันคุณตายไปแล้วไม่รู้ว่ากิพานี่ร้อยปีฟื้นขึ้นมานึกว่านึกว่าอัลลอฮ์ลืมหมดแล้วหรือมึงไม่ใช่ พอได้กิ่นของการลงโทษจะมาพูดรีบพูดเลยพูดไปไงนะยาไวละนะ์นาเมกอร์นี่อะดา ม, มุสลิมใบ่แคตผูกก่อการร้ายใช่อหมวันนี้ไปไงครับยาไวล์นะเราความวิบัติเกิดกับเราแล้วอินนาะกุนนาโซลิมินแท้จริงเราเป็นผลชั่วเป็นคนซอเลนเป็นคนอธรรมเดน้อง พี่น้องครับทําไมอัลลอฮ์จึงเล่าอย่างนี้เนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้มุสลิมคนที่อ่านอัลกุรอานวันนี้นะถ้าหากเราถูกรังแกถูกกานแกล้งถูกนุ่นถูกนี้สารพัดบนโลกตุนยาไปนี้เนี่ยแต่คนที่ยึดมัน่นในอัลลอฮ์มีไหมมียึดมัน่นในศาสนามีไม่มียึดอันกับกุรอานมียึดกับซุนนะน บ, บีหมดเนี่ยเวลาเจอปัญหาอย่างนี้เราอํานาจไม่มีไงอํานาจไม่ ม, อ ม, มีอาวุธก็ไม่มีอํานาจก็ไม่มีปะ พูดบอกไปทำมันคนก็นไม่ฟังเราแต่อัลลอฮ์ฟังอ่าแต่อัลลอฮ์ฟังเร า, าเอองียบงนองเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นการมาได้นะเป็นการทําให้เราสบายใจว่าภาพของวันติยามะนะครับคนที่ไม่เอาศาสนาเมื่อเราเขาเห็นบาปเล็กๆน้อยๆ อ, อ่าเห็นโทษเล็กๆน้อยๆยังไม่เห็นนะเพียงแต่ได้กลิ่นมาเท่านั้นเองว่าเขาจะต้องถูกลงโทษแน่ๆเนี่ย เารีบพูดสองเรื่องนะยาไวยลานาะฉันชิบหายแล้วอินนาะกุนะอเลเมินกูอธรรมแล้วพี่น้องครับแทนที่จะพูดอินนาะลิแลพูดไม่ได้ละพออยู่บนดุนยาเนี่ยเล่นมุสลิมไปเยอะนดามุสลิมไปเยอะใช่หมจะต้องอดทนอดทนอดทนอดทนเ อ, น อ, น อ, นอาต่อมาอายาที่สี่ิบอายานี้อธิบายยาวดนีนะพี่นอง و ن َ ض ع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان م ْ ق ل ا ل حبة من خردل أتينا بها أ ر ْ أتين อาตัยนบิฮะวกะฟะบินะฮัสบินอัลลอฮฺอักบาร์ إ ي أ إ م ي ا เพิ่มอะไรอย่างนี้วนา ضع الموازين القسط اليوم من قيام فلا تظلم نفس شيئا وإن كان "قال حبة من خردل أتينا بها وكفبنا حاسبين" الحمد لله الله أكبر ตนี้แปลว่าเราเอามาวางขณะนี้ยังไม่มีนะมานีภาพของวันทิยากภาพที่ทุ่งมัชร ทางการจะอธิบายว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยคนจะต้องผ่านขั้นตอนอีกประมาณหกเจ็ดขั้นตอนน้องอย่าคิดว่าตายแล้วจบนะตายแล้วจะต้องผ่านขั้นตอนอีกห้าหเจ็ดถึงแปดขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งตอนแบกไปเนี่ยพอวิญญาณออกจากร่างเนี่ยตอนแบกครั้งที่แล้วเคยอธิบายว่านาบีว่าไงรนะู้ไหมแล้วตัวกอดดิมูนีคนที่ตายทั้งหมดว่าไงนะ อย่าแปกอย่าแบกฉันไปได้ไหมอยู่ตรงนี้แหละอย่าแบกฉันไปฝังที่กุโบโได้ไหมเพราะเขาเห็นแล้วอ่ะนี่แบบนี้แบกบอาญาที่ผ่านมาเนี่ยนะเห็นแล้วถ้าแบกไปเมื่อไรจะถูกฝังเมื่อไรถูกลงโทษที่กุโบแน่ๆเพราะไม่เอาศาสนาอ่ะไม่เอาอิมานไม่เอาอัลลอฮ์าขาดนมาก็ะจุยไปหมดแล้วกงสุการไม่เคยใจอ่พะพอถูกพอจับใส่ลงปั๊บเนี่ย ลาตุกอดิมูนียาพาฉันไปนี่ภาพที่หนึ่งภาพที่สองตอนฝังพอฝังเสร็จแล้วมาลาอิก้ามาอีกสององค์มาทำอะไรครับมาถามมาร บ, บูกะมันนาบีอยู่กะมันอีมามมกะตอบได้ไหมล่ะนี่ขนาะท่องไปแล้งก็ตอบไม่ได้เลยนะขนาดท่องไปแล้วยังตอบไม่ได้เพราะใจมันไม่เอาปากมันว่าแต่ใจไม่เอา้า อานอนอยู่ในกูโบเท่าไหร่ภาพในกูโบมีทั้งหมดเจ็ดภาพสำหรับคนดีนะคนเลวไม่ต้องพูดหนึ่งกูโบว่ า, าตรงกันข้ามกูโบแค่อันที่สองมีผ้าผ้าผ้ากรฝันที่ห่อไปสามผืนนะเปลี่ยนนะเอาผ้ากาฝันเม d e ฟอร์มเม e ด n ิน n นนะทำจากสวนสวรรค์มาใส่ให้เอาได้ไหมเอาเอารอจัดหน้า ที่นอนเมตินยันนะเสื้อผ้าเมตินยันนะสามรายการแล้วเป็นชุดไหมหมดเลยครับพี่น้องแล้วก็มีมีกลิ่นหอมจากสวนสวรรค์ข้อที่ห้าหันหน้าไปทางกิบลัดตอนนอนใช่ไหมเห็นไหมเห็นเห็นเห็นสวรรค์นะที่หันหน้าไปทางกิบลัดนะเพื่อให้เห็นสวรรค์พอเห็นแล้วอ๋อเนี่ที่อยู่ของฉันในวันเตี้ยมากพอฟื้นขึ้นมาจะอยู่ตรงนั้นนี่หกแล้ว พี่น้องมีตั้งหกหกเจ็ดไรันนี่กลัวมันจะยาวนะฉะนั้นหลังจากฝังไปแล้วฟื้นขึ้นมาสามรวมตัวกันที่ทุกมาชัดสี่แจกอะไรนะแจกสมุด บ, บ, บัญชีส่ายไปแล้วห้าแล้วก็มีจานอันนี้นี่นี่หกจั่งช่างห้าแล้วก็ที่เจ็ดข้ามสะพานที่แปดนรกกรืสวรรค์ แปดขั้นตอนพี่น้องอยู่บนดุนยานี่ผ่านกี่ขั้นตอนสองสามขันตอนเด็กหนุม่มแก่ก็นั้นเองแสดงว่าชีวิตหลังตายเนี่ยหนักกว่าชีวิตอยู่บนดุนยานีกเยอะมากฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแหละที่รู้ไม่ใช่มุสลิมไม่รู้เลยว่าชีวิตหลังตายคืออะไรอเอามาต่อมาครับนี่ต้องการจะเล่าภาพที่ภาพที่ห้าเมื่ออาที่ห้าที่หกที่ วันนัาเอามาวาซินเราจะตั้งตาช่างจะพาตาช่างมาวางตาช่างแบบไหนครับอลกิสต์ตาช่างที่เที่ยงธรรมที่สุดเที่ยงธรรมที่สุดอย่านึกตาช่างที่เราขายของที่ร้านเนี่ยเราเนี่ยเบี้ยวตลอดใช่หรือไม่ใช่ดัดนู้นดัดนี่ ให้กิโลบออ่อนบ้างอะไรบ้างหรือแข็งไปบ้างอลัลลอฮ์ทำสารพัดเพื่อได้สตังแต่ตาช่างของอลัลลอฮ์นั้นติสตุที่ยังทำที่สุดถามว่าเอาตาช่างมาทําอะไรเอาตาช่างมาทําอะไรอลัลลอฮ์เล่าเรื่องตาช่างในวันอาคิรอที่ท่วงมาชัดเล่าทําไมต้องการจะเล่าอย่างนี้ว่างานของมนุษย์ที่ทําอยู่ที่ทําอยู่วันนี้นะ จะต้องผ่านตาช่างหมดเลยจะต้องผ่านตาช่างหมดอุลมะแนะนำอย่างนี้นะการช่างนั้นมีอยู่สามแบบแต่ไม่รู้ว่าจะช่างอันไหนบุลุษมะแนะนํานะช่างมีอยู่สามช่างด้วยกันสั้นช่างดูสามช่างหนึ่งช่างผลงานหนึ่งช่างผลงานผลงานมีอะไรบ้างเตาฮ e a ช่างได้ใครที่มีเตา h e a วันนี้ยืนหยันในอัลลอฮ์องเดียวนี่นะช่างได้ สองช่างนมาศสมช่างการถือสินอดสช่างสะการหช่างทายีหคนที่เชิญชวนคนทําความดีห้ามปรามคนไม่ทําความชั่วช่างได้เจคนที่ด้ว่าอินละลอเชิญคนไปหาอัลลอฮ์เนี่ยพวกพวกพวกอุลามานี่ถูกถูกสอบนียถูกช่างด้วยนะที่เองเชิญชวนคนไปหาอัลลอฮ์น่ะเชิญไปหาใครไปหาตัวเองหรือไปหาอัลลอฮ์ ช่างครับข้อที่แปดคนที่มาฟังศาสนาหดูดมาจาดิซิไลลมีเสียสละเวลามานั่งฟังศาสนาพี่น้องครับอัลลอฮ์ช่างในวันเกียรติด้วยข้อที่เกพี่น้องร้องให้ร้องให้ไม่ใช่มะตีร้องให้ม่ใช่ยอตายร้องให้ไม่ใช่เมียตาหรือสามีตาร้องให้เพราะครัวอัลลอฮ์นะ่ะมีอยู่คือครั้งเอามาช่างหมดเลยครับ ข, ข้อสิบพี่น้อง กลัวอัลลอ์ข้อชยะกลัวอัลลอ์ข้อที่สิบอ็ดตะวักกุลมอบหมายตนต่ออัลลอ์เคยไหมเคยมอบหมายตนต่ออัลลอ์ไหมถ้าเคยอัลลอ์นั่นแหละผละบุญไม่มีอัลลอ์จะเอาตะวักกุลของเรานะ่ยมาชั่งในวันเกียมาแล้วก็มีความหวังทำงานนี่หวังอยากได้นูนแต่หวังผ่านอนะัลลอ์น่ะเคยไหมข้อที่ สิบามพี่น้องอินาบากับเนื้อกับตัวคนที่ทําบิดต้องตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ถามว่าตาบ้าตัวเพื่ออะไรบางคนตาบ้าตัวเพื่อสังคมอีกคนหนึ่งตาบ้าตัวเพื่อเพื่ออัลลอฮ์ถ้าตาบ้าตัวเพื่อสังคมนะน้ําหนักไม่มีแต่ถ้าตาบ้าตัวเพื่ออัลลอฮ์สิอินาบาอันนี้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เอาไปช่างได้พี่น้องแล้วก็การขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ นี่ทั้งหมดนี่สามารถช่างได้หมดเลยนี่อุลมามะตัฟซิดอธิบายไปน้องข้อที่สองช่างร่างกายเอาตัวเราไปช่างคนอ้วนคงจะยิ้มออกกันนะกูน้าหนักอยู่บนตุ้ยานี่ร้อยี่สิบนึกว่าในวันเกียร์มาจะมีน้าหนักเยอะไม่เอาเขาไม่เอาน้ําหนักเนื้อหนังกระดูกจะเอาน้าหนักอีมาตะตะกว่า พี่น้องหน้าแตกหมดเลยนะเนี่ยฉะนั้นีคนที่อันแล้วจะเชื่ออันไหนก็าตามจะเชื่อแบบแบบที่หนึ่งก็ได้จะเชื่อแบบที่สองอ้าที่สองก็ได้เอาคนนี่ไปชั่งบนบ น, บนตาชั่งและชั่งน้ําหนักไม่ใช่น้ําหนักกระดูเนื้อมันไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นตักวากับอีหมานของคนคนนี้มีหรือไม่มีอลัลลอฮฺพี่น้องเอามาดูเรื่องที่สามถ้าเราเชื่อว่าข้อที่สามเขา เขาช่างอะไรนะช่างสมุดบันทึกสมุดบันทึกของเราเนี่ยในตั้ซีนอธิบายหะดีษอธิบายว่ามัดดดลบัสดสมุดบันทึกแต่ละคนแต่ละคนนั้นยาวสุดหูสุดตาเลยถ้าเป็นเรื่องเล็กๆเขียนในะสมุดนะยาวสุดหูสุดตานั่นบัญชีของคุณเครท่า น, นจะเชื่ออ่านหนาทาั้งทั้งสามรายการนี้ผมว่าน่าจะถูกสอบ ถ้าจะช่างทั้งสามรายการนี่แหละนะถ้าช่างอามานอัลลอฮฺไปอักรัตตะกี้อธิบายเป็นสิบสาสิบสี่ข้อน่อพี่น้องถ้าช่างตัวน้ำหนาของเราไม่ต้องพูดพี่น้องอัลลอฮฺช่างอะไรนะช่างอีมานกับช่างตะกวาแต่ถ้าหากว่าเอาสมุดบัญชีมาช่างอย่าลืมนะไม่ใช่เล็กนีไม่ใช่น้อยนะสุดหูสุดตานั่นแหะบัญชีของเราเพราะทําตั้งแต่จำความอายุสิบห้า ถึงหกสิบนี่กี่ปีอ่ะกลางคืนก็ช่างหมดเลยเนะี่ยหายใจก่อช่างหัวเราะก่อช่างใช่ไหมอุโลโลอากบัตักวามีหรือเปล่าอีหมานมีหรือเปล่าจะลงว่าจะเชื่ออันหนึ่งอันใดได้ไ ด, ได้ทั้งสามรายการพี่น้องเอาต่อมาอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ท่านนาบีสอนอย่างนี้นะครับว่าน้ำหนักของคนเนี่ยนะถ้าจะให้น้ำหนักเยอะให้หาบนดุนยานี่เลย ถ้าต้องการจะให้น้ำหนักของเรา ม, ม, ม, มีมีมีน้ำหนักมากได้มีสอนอย่างนี้ครับมีสอนบอกว่าอันอบดฮุรอยเราดูดิอัลลอฮุอันฮุกว่าและกลิมาตานิคข้อฟิบตามีสองถ้อยคำที่เบาลิ้นนะครับสักีละตานิฟิลมีดานแต่หนักที่ตาชั่งอะไรไหมฮะบีบตานีอิลลัลราะมานเป็นที่รักใคร่ของอัลลอฮฺ سبحان a l l a و بحمده سبحان الله العظيم นอกจกนมาตอันค no, ุอมาที่บุลาแล้วสิบสามรายการทำแล้วนะพิเศษขับรถไป سبحان a l l a و بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان a l l a و بحمده อ๋อพีน้องครับสองคำนี้นบีสอนไว้ เราก็อ่านกันมาเป็นรอยๆครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติเวลามันไม่มีไม่ได้นึกนึกเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นเรื่องที่แต่ลืมนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาล้าความจริงตอนรดนไม้อ่ะรำต้นไม้อ่านได้ไหมอลลอรอแบบแม่บ้านอยู่ในครัวว่าได้ไหมได้กําลังหุงอาหารเนี่ยล้างถ้วยล้างจานอยู่สุบฮานอัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานอัลลอฮิลลาฮิ ท้าเรานึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่านึกถึงอัลลอฮ์ตอนนมาศพอออกจากนมาศลืมอัลลอฮ์แล้วพี <c> ่ <oughs> น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ตาชูหนักตาช่างหนักในวันเตียมากกวคือสุบฮะนลลอวอบิฮัมดีสุบฮานลลอฮิลาวดีและอีกเรื่องหนึ่งนะครับนบีสอนนะสิ่งที่จะทําให้ตาช่างของเราหนักในวันเตียมาก อบับดุล ด, ดาอัน น, น, นบนบีสุลต์อัลลอฮ์สั่งว่ามานชยินอักลุมฟมีซานินมุมินยาวมตมะมินฮุสนิคุลุบไม่มีอะไรที่จะมีน้ำหนักมากที่ตาช่างของคนที่เป็นมุมินนี่เน้นนะคนที่เป็นมุมินเท่านั้นนะครับพี่ตาช่างเขาหนักมากก็คือมินฮุสนินคุลุบมารยาทงาม คนที่มีมารยาทงามอัลลอฮ์มารยาทดีมารยาทอุลามะอธิบายได้พี่น้องครับมีอยู่กี่ข้อสิบข้อหนึ่งมารยาทระหว่างเรากับอัลลอฮ์นึกเองถ้าอธิบายยาวใช่ไหมสองระหว่างเรากับนบีอัคลากเรากับนบีทํำยังไงสองมารยาทของเรากับภรรยาเราทํำยังไงจบได้ไหมเมีแล้วเนี่ย เตะได้ไหมด่าได้ไหมไม่ได้หลายคนที่ดา่าตองตบ้าตัวตอรอยทําผิดนะมารยาทเรากับมะเราอะ่ะทําตัวยังไงมารยาทเรากับพ่อเราอะ่ะอย่าลืมนะพ่อพ่อกับแม่นะเราต้องเอาใจใส่แม่มากกว่าพ่อหัวใจนะ่ะทุ่งห่วงแม่มากกว่าพ่อแม่เหนื่อยกับเราเยอะอย่างเราป่วยเนี่ยมะเราป่วยด้ไหมป่วยตอนอยุเจ็ดแปดขวบเนี่ย น้องไปโรงพยาบาลนะมะไปด้วยพี่ไม่ไปเราพอ่อผก็ไม่ไปให้ใครไปมะมันไปนั่นเรากับมะเราควรจะมีมารยาทอย่างไรอลัลลอฮฺจะเอาไปชั่งน้ําหนักในวันตรยมะแล้วก็น้ําหนักนี้จะเป็นน้ําหนักที่หนักที่สุดต่อมาครับเรากับเพื่อนบ้านของเราที่มารยาทระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเรากับพนักงานที่เราดูแลชายเขาเนี่ยอลัลลอฮฺให้ให้ให้ให้น้ําหนักนะอลัลลอฮฺอัลกุรอรีน้อง เอาต่อมาครับเรากับคุรานล่ะท่านพี่น้องอ่านคุรานวันลกิอาย่าน่ะมารยาทเรากับคุรานมารยาทเรากับกร า, า ร, ารากกขอดูอาอีกพี่น้องมารยาทเรากับเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นี่พี่น้องทั้งหลายมารยาทเราระหว่างที่เราเป็นนั่งฟังศาสนาอัลลอฮฺให้น้ำหนักหมดเลยแค่นั้นมารยาทคุสนุลคู่หลุกการที่มีมารยาทงดงามนี่ เป็นสิ่งที่ทําให้ตาช่ามของเรามีน้ําหนักหนักในวันกตีม่มะพี่น้องครับนี่อย่างอิสลามคุมชีวิตเลยไหมคุมชีวิตการประพฤติของเราหมดเลยพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องขอดตอาต่ออัลลอฮ์นะนี่อีกอย่างหนึ่งอุลมามะอธิบายดีนะภาษาที่พูดออกไปจากริมฝีปากเราเนี่ยมารยาทนะมารยาทในการพูดจะนั้นพูดเพราะเพราะพูดดีๆอย่าพูดดา่า แล้วก็อัลอิบบติซามารยาทในการยิ้มด้วยมีรางวัลหมดเลยนะยิ้มนี่น้องอัลลอฮฺว่ากบ้าหน้าบึ้งกับยิ้มเนี่ยอัลลอฮฺให้คะแนนตั้งไหนให้คะแนนยิ้มนะบึ้งนี่ไม่ให้นะแต่นบีก็มีนบีเค ย, เค ย, เ, ค ย, เ, คยเคยบึ้งเหมือนกันตอนที่นบีต้องการจะคุยใครนะคุยกับหัวหน้าคนกาเฟ่ไทยรับอิสลามแต่คนตาบอดมาบึง้ง บ, บ้านนาบีนบีเหมือนอนะัลลอฮฺประทานอัลกุรอาอย่าเหมือน มีประมารยาศนะฉะนั้นยิ้มคุยด้วยดีๆห้มอยู่เลยละละมารยาตในการอะไรนะยับยังคนหรือพูดคนให้คนเขามีความดีใจทำยังไงมารยาททั้งหมดอีกคดีหนึ่งนะครับนบีสอนอย่างนี้ท่านยิ้มอาอิชะาตัดเจ ล, ล้ออ่านดูรายงานบอกว่า <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งพี่น้องมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีน มานั่งอยู่ต่อหน้าท่านนาบีมาถึงก็มาพูดว่าฉันนี่นะมีทาตอยู่สองคนทาตผู้ชายมาดูงานทำงานที่บ้านเป็นทาตฉันแต่าทาตสามสองสอ ง, สองคนนี่ยเป็นอย่างนี้ก็โกหกเก่งผู้จา ก, ก็โกหกแล้วก็ทรรศยต่อฉันไม่ค่อยเชื่อฉันแล้วก็ดือ้ออะไรนี่ยเขาเรียกว่าโกงเวลาเกี่ยงงานสารพัดทำทุกอย่างแต่มันทาตของฉัน ฉันก็เลยดา่านอกจากด่าก็ตีด้วยคงจะเตะแล้วนะแบบมูทายกันเตะนะเตะเลยเล่าให้นบีฟังแล้วชายคนนี้ถามท่านนาบีบว่าว่าใกล้ปะนามินหุ่มแล้ววันกิยามาเนี่ยฉันจะเป็นยังไงอนบีพูดนบีบอกว่านะอัลลอฮ์จะคิดบัญชีคุณที่คุณด่ากับคุณตีเขาอะ ถ้าหากว่าความผิดของคุณนี่นะแล้วก็เอาความผิดของทาาของคุณสองคนที่คุณจ้างเข้ามาดูแลเขาให้อาหารเขาอะไรเขาให้เสื้อผ้าเขาใส่ให้เขาให้มีที่นอนแล้วก็ถ้ า, ถาเขาเบี้ยเวลาเขาโกหกเขาทํานู้นถามนี้นะเป็นความชั่วของเขาเราจะเอาความชั่วของคนสองคนนี้มาแล้วของคุณด้วยเอามาวางและเอามาชั่งบนตาชั่งถ้าหากว่าชั่วของคุณกับชั่วของเขามันเท่ากัน คุณก็จบปัญหาแต่ถ้าหากว่าเอามาช่างแล้วของคุณน้อยกว่าของเขาคุณยังทําดีมากกว่าเขาอยู่จะเอาความดีของของทานะ่านมาใส่ให้คุณก็ ค, คุณก็ยังดีอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณทำทำบาปอ่ะด่าเขาก็มากกว่าแถมยังตีเขาอีกยังเตะเขาอีกมากกว่าความชัว่วที่เขาทําอีกคุณมีบาปเยอะกว่าจะเอาบาปของคุณเนี่ย จะเอาความดีของคุณในประโชดชายับเพราะว่าอย่างนั้นร้องไห้แลยพี่น้องเดินห่างไปนิดหนึ่งไปนั่งร้องไห้ร้องไห้เข้าเข้าใจศาสนาเห็นยังอ่ะร้องไห้นบีถามว่าร้องไห้ทำไมคุณไม่เคยอ่านอ่านอ่านุณอานหรืออายานีไงนบีอ่านให้คนนี้ฟังว่าวานาบอุลมาวาซีนัลกิสติเลีมิลกิ亚马 فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مسقا و لحبة من خردل أتينا بها وكفابنا حاسبين เพราะอ่านให้ชายคนนี้ฟังชายคนนี้ว่าฉันคงไม่มีอะไรดีเท่ากับปล่อยท่าสองคนนี้ให้เป็นไทยจบ <ت ص في ق> ถ้าอย่างนั้นมานั่งกุฏวัดวันเกียมา ก, กุูกอีกกแล้ว ไม่ไปโดนทั้งหลายเห็นยังครับคนในสมัยนะบีเขาตับตัวแป๊บแป๊แ ป, ป๊บเลยปับตัวเลยเป็น้องค์พอฟังคนอ่านปั๊บเปลี่ยนเลยเราเช็กก่อนนี่คณะไหนพูดว่าคณะใหม่งานนี่พวกวาฮาบีกูไม่เอาก็เชิญไม่ว่ากัน ไ, ไม่ไม่พี่น้องเอามาดูคำแปลนะและเราจะจะตั้งตาชูตั้งตาช่างที่เที่ยงทำสําหรับอุวันแห่งการฟื้นคืนชีพพี่น้อง ชาชางบนดุนยานี่ยังไม่มีนะบนนู <c> ่น <oughs> ในวันกียร์มาโนนของอัลลอฮ์นะอันนี้ของเราเช็คสุวตานตลาดได้เลยผิดเยอะนะแล้วต่อมาครับฟาลาตูสละมุนับซุนชายะดังนั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอาธรรมตุสละมแปลว่าถูกอาธรรมนะแม้แต่น้อยอัลลอฮ์ใช้อุ่นใช้อันเนี่ยแม้แต่น้อยนับซุนแม้แต่ชีวิต ดังนั้นไม่มีชีวิตใดถูกอธาธรรมแม้แต่น้อยวิ่งแกนมะิกละหับบัติมิงคอร์ดิลเบนคอร์ดัลวิ่งแกนเนแม้ว่าการงานนั้นพี่มีเพียงเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเท่ากับผัดเมล็ดผกาดเล็กๆในน้อยเนี่ยการงานที่เราทํานะครับพี่น้องเล็กๆนน้อยเนี่ย มินคอร์ด้านแปลว่าเท่ากับเมล็ดผักกาดหมายถึงเล็กสุดหรือก็เบาสุดอาใจนาบิฮาเราก็จะนำมาแสดงให้ท่านเห็นอัลลอฮจะนำมาแสดงหมดเลยครับพี่น้องเพื่อความยุติธรรมนะวากาฟาบินาฮาซีบีและเพียงพอแล้วที่เราเป็นผู้ชำระนบีเป็นคนคิดอัลลอฮเป็นผู้ คิดบัญชีเองในวันติยามาพี่น้องครับอัลลอ์คิดบัญชีกับเราคิดบัญชีต่างกันนะของเราเนี่อัลลอฮ์ผิดถูกบางทีตั้งใจเลยพี่น้องงานนี้ให้รัฐบาลงานนี้เก็บไว้บัญชีมีสองบัญชีใช่ไหมพวกนักบัญชีบัญชีของบริษัทมีอันนีแต่งบัญชีอ่พี่น้องแต่อัลลอฮ์แต่งบัญชีไหมไม่แต่งครับนี่พี่น้องอีหม่าละเราอัลล์บัญชีเรากับบัญชีของอัลลอ์ บัญชีบริษัทบัญชีอัลลอฮ์บัญชีรัฐบาลของเรานี่อัลลอฮ์มีแต่งบัญชีแต่ของอัลลอฮ์แต่งไหมไม่แต่งว่าตามตรงๆเลยถ้าอย่างงี้ก็อย่างงี้อันนี้ก็อย่างงี้พี่น้องอัลลอฮ์ผมชอบชาวบ้านนบีที่มานั่งต่อหน้านาบีเนี่ยพน้องันปล่อยท่าไทยเป็นไทยจบถ้าเก็บไว้เนี่ย ฟังนบีอธิบายอัลลอฮ์ตกนรกแน่ๆงานนี้แล้วก็เวลาด่าหรือวันเพลิน่ะมันกูลุกน้องกู้กูด่าเต็มที่อัลลอฮ์นักพี่ น, น้องจะเป็นใครคนกันคนที่กินเงินเดือนเขาเหมือนกันนะรับเงินเดือนเขาเต็มกต่ทางานไปเต็มเองถูกสอบเนะี่ยในวันเกี้ยมาถูกสอบครับทาสัวเหมือนกันอัลลอฮ์สอบหมดแต่คนที่เป็นเจ้าของทาสเป็นนายเขาอ่ะ ปรเด็นเงินลงงเดีย ง, งต้องจ่ายก็เต็มที่นะท้ายมันถูกต้องนะอัลลอฮ์สอบทั้งสองฝ่ายเลยเดีววันนนเกี่ย ม, มาพออ่านตรงนี้ครับอัลลอฮ์สอบบ้านบางวันชันไม่เอาล้ปล่อยอิสระเลยไม่เอาไม่เป็นท้ายไม่เป็นท้ายใครแล้วไม่เอาจบจบจบจบพี่น้องทั้งหลายเห็นยังครับเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองของเขาเองนะครับพี่น้องอ้าต่อมาอายาที่เจ็บแปดอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเลยอ่านคุรานและความรู้มันมาอีหมานมันเพิ่มนะ و َ ل ق <48. S 1> د آتينا موسى و هارون الفرقان و ِ ي ا ً وذكر للمتقين ُ 48ครับ و َ ل ق د آتينا موسى و هارون الفرقان ว, วัดิยาอ้วนวัดิรัล للمتقين อันนี้อัลลอฮ์เล่าเรื่องคำพีเตารอให้นบีมุฮัมมัดฟังเหมือนกับเล่าให้เราฟังวันนี้พี่น้องคำพีเตารอที่อัสลีที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านนบีมูซาเนี่ยเล่มแบบนี้ดูคำอธิบายและเราได้ประทานให้กับมูซา คือนบีมูซาให้กับฮารูนคือนบีฮารูนสองท่านแล้วให้อะไรมาครับให้คัมภีร์เตารอนสิฟัตของคัมภีร์เตารอมีอยู่สามข้อหนึ่งฟุรกรฟุรกรแปลว่าแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จเหมือนกูรานใช่ไหมอ่าพอกูรานได้ชื่อว่าฟุรกรเหมือนกัน ใครที่มีชื่อชื่อชื่อชื่อฟุตบอลต้องนึกเยอะนะฝารุกด้วยฝาลูกฟุตบอลสับคำเดียวกันฉะนั้ใครที่มีชื่อลูกชายชื่อฟุตบอลต้องนึกเอ้ยฟุตอลนี่มันแยกเยะระหว่างชั่วกาฮารอมเป็นหรือยังระหว่างคารากาฮารอมเป็นหรือยังระหว่างไฮฮิดายะกับดอลลาลาเป็นหรือยังระหว่างซุนนากะชิไอซุนนากับบินอ้าเป็นเป็นหรือยัง ต้องนึกหมดเลยนะพี่น้องคำว่าฟูรุกรเนี่ยแยกแยะระหว่างอะไรนะฮักกับบาตินจริงกับเทสฮารามฮลารลลาฮารอมฮิดายะบลาละนี่คำพีตาร์ อ, รอข้อที่สองวดาดียะอันคำพีตาร์อที่อัลลอฮ์ชมในคัพีคุนอ่านให้ในให้ให้นบีมัดฟังและพวกเราฟังก็คือเด่นชัดเป็นแสงสว่างเป็นประทีปประหลอดพี่น้องเป็นแสงสว่างเลยยะรสมา ข้อที่สามสิฟัดข้อที่สามอุบายวิเครอเป็นข้อตักเตือนหรือเป็นข้อเตือนใจให้กับครครับลิลมุตตีนให้แก่คนที่สำรวมตนจากความชั่วแสดงว่าคนในสมัยในบีมุสซาคนดีมีไหมมีครับอย่างพวกเราวันนี้หละเหมือนกันพี่น้องแต่คนในสมัยนั้นเะลาจะเป็นมุสลิมเขาว่าอย่างงี้อัชาดุลลอิลาอิลลอฮ มูซาอากะลิมุลลอฮ์รุราวะนี้าอิลาฮะอลลิลลัลลอมุหัมมัดรอซูลุลลอฮ์คนละยุคคนละสมัยแต่ชริอะวิธีนมาดวิธีตอบาตัวหรือวิธีจ่ายสกาตไม่รู้เข้าใจากันแบบหนเพราะว่าอัลเลาไม่เล่าให้เราฟังฉะนั้นคัมภีตอเราะหที่อัสลีที่มาทานอัลเลามหานบีมูซา จึงเป็นคำภีที่ชี้แนะนำคนให้เข้าหาอัลลอสุบฮานุลาะกันทุกยุคทุกสมัยนะครับพี่น้องมันมีเรื่องฮารามมีฮาลาลมีอัลลอฮฺพี่น้องทั้งหลายเอาต่อมาครับสิ่งที่ได้จากอายานีนะ้นอุลมามะตัฟซิดอธิบายดีนะอันนักกิตาบุสมาวียะโอพูดดีเขาว่าคำภีที่มาจากชันฟ้าทั้งหมดมีอยู่หลายเล่ม มีอยู่หลายหลยหลายฉบับนะฉบับสุดท้ายกุรานนี่เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเราเรียกผู้เลี้ยงอะไรนะพู้เลียงนโลกสวรรค์ใช่ไหมเรื่องอะไรที่ทุกทุกมาชัดเปลี่ยนเลยให้คิดถึงนบีมูซาแล้วอบดฮารูนนึกถึงนบีฟาโรใช่ไหมนึกถึงนบีมูซานึกถึงฟารโรอัลลอฮ์นึกถึงซามมรี่ที่มาลายกาเอาไปเลี้ยงมูซาเหมือนกันแต่อมูซาที่ฟิรอุลเลี้ยงได้เป็นนบี ส่วนมูซาที่ที่วานไรการเรียงอัลลอ์เป็นซามียี่แล้วก็อัลลอฮ์ตั้งวัวมาให้คนบูชาอร่อยจริงๆคนนี้นะอัลออะที น, นี้สรุปว่าไงไนมุสตามมลตุนอันลลัตตัฟรุกออะรน่ะรวบรวมไปด้วยเรื่องหลายๆอย่างหนึ่งใบนัลฮักกีวัลบาตินคัมพีที่มาจากอัลลอ์นั้นสอนให้คนแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จ อันที่สองอัลฮูดาวับบลบดาละมาชีเป็นทางนำและทางหลงให้รู้เลยอันที่สามนะครับอัลฮัลลลวัลฮารอมอัลลอฮุอักอบัตอันที่สี่สอนให้คนได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีในคัมภีร์ทั้งหมดที่มาจากอัลลอ์ข้อที่สี่ทำให้หัวใจของเขาประคองตนเองไม่ให้ทำความชั่วคนที่อ่า น, นอุลามอ่านคัมภีร์เรี่ออื่นๆในยุคนู้นนะ เราในี่ยุคนี้อ่านจะพี่กุรอ่านอย่างเดียวพอแล้วอย่าไปอ่านเยอะอ่านเฉพาะกุ ร, รอ่านละซุน่าอนาบีนี่พอแล้วนะจะทำให้เราได้ได้สีอย่างหนึ่งได้ทางนำสองมีความกลัวเพิ่มขึ้นอันที่สามทำให้เรากลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้อที่สี่ทำให้เราประคองตัวไม่ทำชั่วนะครับพี่นอ้องต่อมาอายาที่สี่สิบเก้า الذين يخشون ربهم بالغيب، وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب، وهم من الساعة مشفقون. <اللغة> الله أكبر. อายานี้มีสองเรื่องนะครับพี่น้องเรื่องที่หนึ่งก็คือมีสองประเด็นใหญ่ๆ่อันละลีนายักษเชานะ่านบรรดาผู้ที่กลัวอัลลอ์พวกใครที่เกรงกลัวยักษ์เช่าแปลว่าเกรงกลัวไอ้เกรงกลัวแต่ทั้งที่รับทั้งที่แจ้งตมกลัวอัลลอ์หมดนะ อยู่คนเดียวก็กลัวอัลลอฮ์อยู่หลายคนก็กลัวอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าประชุมก็ต้องกลัวอัลลอฮ์อยู่ในส้วมก็ต้องกลัวนึกหมดฉันอยู่กับอัลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ในทุ่งทนทุกแห้งทีนี้กลัวอ AH นะัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์มีสิทธิ์อะไรครับรับบาฮุมเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเขารับบุญแปลว่าผู้อภิบาลถ้าอิลาฮุนแปลว่าพระเจ้ า, านะครับรบบาฮุมพระผู้อภิบาลของพวกเขาบิลรอยบี โดยที่เขามิได้มองเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยายามครับพี่น้องเชื่อกลัวอัลลอฮ์ทั้งๆที่ไม่เคยเห็นอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยเห็นนะอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องเขาเรียกว่าไราสิท์ศรัทธาต่อสิ่งที่มองไม่เห็นนะอีมานกี่ข้ออีมานมีหกข้อถามว่าเห็นเห็นเคยเห็นสักข้อใช่งไหม ไม่เห็นสักคนเองอัลลอฮ์เราก็มองไปเห็นมลายกาเห็นไหมไม่เห็นยิบรีนเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอัลลอฮ์ให้ประทานกุรานลงมาจากชาน้านผู้ที่นํากุรานมาคือยิบรีนเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแล้วก็ศัธาต้าวันเตียมักเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเรื่องข้างหน้าหมดเลยนะครับก็ต้องถูกสมุดอะไรนะถูกยื่นบัญชีก็ไม่เคยเห็นช่างตาช่างก็ไม่เคยเห็นสะพานซีรอดก็ไม่เคยเห็นพี่น้อง อัลลออาบนรกไม่เคยเห็นสวรรค์นี่ไงอยากเช่านรอบ้าหุมบิลอยคนที่กลัวอัลลอฮพระผู้อภิบาลของเขาทั้งๆ ท, ที่เขามองไม่เห็นอะไรเลยแต่เขาเชื่อว่ามีจริงนี่เป็นมุมินอยู่ตรงนี้พี่น้องบิลีฟ unseen บิลีฟสิ่งที่มองไม่เห็นอัลลอยิ่งใหญ่มากในห a ด i ษ h อธิบายอย่างนี้ <c oughs> เป็นการเสริมนะคนที่กลัวอัลลอทั้งๆที่เขาไม่เห็นอัลลอ กลัวนรกกลัวสวรรค์ไปเนาะสวรรค์น่าชอบไม่กลัวหรอกนะแล้วก็ชอบอะไรนะกลัวการลงโทษในกุนายนกูโบคนที่กลัวแบบนี้รู้ไหมได้อะไรครับเขาได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วอาจรุนกาบีได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ยังไม่พอไปเน้องมารฟีเฟรตุนได้รับการอภัยโทษสองข้อแล้วไปเนองใจกลัวนไปเนอง ได้สองข้อบนดุญยานี้หนึ่ง Allah อัลลออภัยโทษให้สองได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่มักฟิรตดูนนี่คุณอ่านก็เป็นฮะดีษุณอ่านให้ฟังเลยนะครับอินนัลลาีนายักชาวนรับบะฮมบิลไรบะละฮมมกฟิรัดวะอัจรุมกบีดใช่ไหมขัฟฟิสใช่ไหมนะสูรอะไรไม่รู้ผมลืมคนที่กลัวอัลล์นะครับทั้งทั้งที่มองมาเห็นอัลลอ์ ละหุมมักฟรตุนเขาจะ้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ข้อสองว่าอัจรุงกะบีดได้รางวัลอันยิ่งใหญ่ไม่้ปีนน้องนี่ไงแค่กลัวอัลลอฮ์อยู่ในใจพี่น้องไม่กล้าทำผิดได้รางสองรางวัลแล้วอัตอมาครับวะหุมมินัสอาติมุสฟิกูนและพวกเขา มุชฟิกี่แปลว่าวันเกรงหรือว่าตัวสันนะครับวันกลัวต่ออะไรครับมีนัสอาอาอัลแปลว่ายามอวสานวันเที่ยมั้ยอายาณีสอนสองเรื่องนะเรื่องหนึ่งกลัวอัลลอฮ์ทั้งท้ที่มองไม่เห็นอัลลอฮ์กลัวนรกทั้งๆที่ไม่เคยเห็นนรกกลัวมาลาอิกะอัลลอฮ์อัลแปลกลัวหมดครับ กกัวแล้วมาต้องทำอะไรไม่ใช่ให้ประคองตัวเองอย่าทำบาปตอนนั้นเองพี่น้องแล้วต่อมาครับวะหุมมีนาสอะกรวุ๊กวันสิ้นโลกพี่น้องเพราะวันสิ้นโลกนั้นอายุมันยาวกว่าโลกดุนยาต้องผ่านกี่ข้ออีกเจดข้อหรือแปดข้อเนี่ยผมไม่ได้อธิบายนะยังมีอีกเรื่องนึงนะท่านหญิงอาอิชะถามท่านนาบีบวูฮัยยัสูรุลลอฮฺในวันกิยมามะเนี่ย ท่า น, นคิดถึงครอบครัวหรือเปล่าที่พระญาถามอ่ะถามว่านาบีถือรักสามีจา๋าเงี้ยนะท่านเนี่ยเป็นตัซูลขอร้องคิดถึงครอบครัวในวันกิยามากไหมนบีบอกว่าฉันไม่คิดถึงเธอนะ่ะสามช่วงเนอกนัานคิดหมดโอ้ภาษาเพราะมากนะสามช่วงไม่คิดถึงเธอไม่คิดถึงครอบครัวสามช่วงตอนไหนก็นช่วงตอนราบอะไรนะ รับสมุดบัญชีไม่คิดถึงใครจะผ่านหรือไม่ผ่านฉันก็กลัวเหมือนกันให่ไหมขนาดนาบีถ้าหากว่ารับสมุดบัญชีมือซ้ายจบไหมจบถ้ารับมือขวาอัลฮัมดุลิลลาผ่านอีกช่วงหนึ่งตอนจับฉันไปช่างมาวาซีนคอนนินลกิสต์พาไปช่างออ oh, นบีไม่คิดถึงภรรยาไม่คิดถึงครอบครัวคิดว่าตาช่างผ่านหรือไม่ผ่านข้อที่สามตอนจากภามสีสีรอดหลังจากช่างตาช่างแล้วข้ามสะพานอันทัศน์อินดุกซิตอธิบายดีนะคนที่เป็นคนซอและนี่นะอัมบียาสิดดีกีนชูฮาดาซอเลฮีนสี่กลุ่มนี่นะเวลาข้ามสะพานนี่นะเหมือน ไฟเหมือนเย็นแบบนบีอิบรอฮีมอาเลยฮิสซาลาบอ๋อังสะทาย ก, กาลังใจ้ายเดินเข้าไปผ่านเนี่ยนะผ่านผ่านสะพานเนี่นะข้างล่างน่ยมันร้อนแต่มันเย็นแบบนบีอิบรอฮีมอะเลยฮิสซลาบทีรฮิมตกโยนใส่ไฟไม่เปล่าไม่ไนี่ไงาสาลามันบาดดันวาสาลามันอาลยอิบรอฮีม บัดนั้นวาสลามันอัลอลอัลบิยะวาสิดีกินวาชูฮะดะวาสซลีฮีนซีุมพวกเรานีกลุ้มลุมซาเลนะเป็นกลุ่มทีนนนะ่มีคนอินฉาเรานะขอให้ไม่ีคนซาเลให้หมดนะจะได้ข้ามสป า, าน์เรอรแบบอัลลอฮฺละห์มิลลาอีกคนกลัวตอนช่างอย่างเดียวนะกลัวจะไม่ผ่านก็ข อ, ขอให้ผ่านทุกกนทุกคนนะอยาอัลลอฮฺอย่ามอัให้แล้วก็มีน้องข้อสุดท้ายข้อที่ห้าสิบอายาที่ห้าสิบนะ อัลลอฮ์อธิบายเรื่องคุรานนี่นะฮาดะวะฮดะิกรุมุบารอกอัลลอฮอักบัดเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนั้นที่เล่ามาวันนี้นะเอาเล่ามาวันนี้กี่รายการน่ะเยอะเนี่ยสามสรายการเนี่ยทั้งหมดหล่านั้นวะฮิกรุมูบารกุลอันซัลนฮ อาฟาอันตุมลาหูมุกีรุนอัลลอฮูอะลัยฮิวะฮัดฮะฮะฮะดิกรุนมุบารักข้อตักเตือนอัลกุรอานนี้วะฮะดาวไปถึงก <thin> ุรอานเล่มนี้กุรอานเียมนี้นี่สรุปนะดิกรุนเป็นข้อเตือนใจหรือเป็นข้อตักเตือน ไม่ใช่เป็นคาถาเมาหิว้วห้อยคอไม่ใช่ไปต้องเป็นข้อตักเตือนเป็นข้อเตือนใจเตือนใจแบบไหนครับมูบารอกุลอันมีความจำเริญมีบราระกัดเยอะมากเลยอันกุลอานอายะ น, น, นี้อันกุลอานเล่มนี้หนึ่งเป็นข้อเตือนใจที่มีบราระกัดไปน้องนึกถึงบราระกัดเา อิหมามเนี่ยเวลาเขาคุดบ้านจบนีิกาจบเขาอ่านว่าไงบาระก็ลลอฮุลละก้ว่าบาระก็อะไเลก้าว่าจะมาอาบายนักกูมาฟีใครให้เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวมีบรารักัดนะแต่ที่คนจะมีบรารักัดเนีมันต้องทิ้งทิ้งคุณอานหรือยึดกุณอานมันต้องยึดกุณอานเพราะว่าตัวบรารักัดใหญ่ยอยู่ในกุณอ่านหมดเลยนะว่าฮาดะดิกรุนกุณอ่านเป็นข้อเตือนใจและสองมีบรารักัดเยอะมากพี่น้อง อาตัวมาอันซัลนาหูเราได้ประทานมันลงมาอัลลออธิบายชัดไหมเพี่น้องเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาไม่ได้มาจากอเมริกามันจะยิ้วให้มาไม่ใช่มาจากจีนข้างบนเดินทางกี่วันขัดจีสอธิบายนะถ้าขึ้นใช้เวลาห้าร้อยลงอีกห้าร้อะไรพันปีตายกี่เที่ยวกว่าจะถึงเราะ ถ้าไม่ผ่านจิบรีนน่ะไม่มีสิทธิ์ไปนอนขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ประทานอัลกรุรอานลงมาพวกเรามีกรุรอานอยู่ที่บ้านแต่ไม่ค่อยได้ได้ๆ ไ, ได้อ่านพออ่านปั๊บขณะใหม่ถูกตําหนิเลยวะฮับีดังนั้นจะอ่านกรุรอานตรงเรียนวิชาอัลลอฮ์สมัยก่อนใครพูดสิบห้าวิชาแล้วก็นั่งนึกตายเลอาจารย์เรียนไดไหม วันนี้นะอ่านกุณอ่านที่เขาเขียนหมดแล้วมาอธิบายให้ฟังเท่นั้นเองพุณน้องไม่ต้องไปเริ่มเรียนใหม่ไปน้องเขามีอยู่แล้วกุณอานเนี่ยนะอาคาตับซิดยิบนุกะซิรเนี่ยจับเอาไว้ใบบาบวีหลายหลาเล่มอี่คน้องกุตุบีเอาอ่านทั้งคำอธิบายทั้งหมดแล้วต่อมาครับอาฟะอันตุมลาหูมุงกิรูุนแล้ว พวกท่านทั้งหลายจะยังบอกปัดอีกหรือยังปฏิเสธอีกหรือยังไม่เอาอีกหรือยังหันหลังให้กุารานอีกหรือทับศีภาษาอูดูนะเข อ, อธิบายอย่างนี้อุดูที่ว่านี่นะรอบตต์รับรองพราะคุารานเขาแปลเป็นทุกภาษารอบตต์พิมพ์หมด ผมก็ได้มาจากมอนาอบูลฮัสซันมอบให้ผมตอนทีไปเยี่ยมอินเดียเมื่อก่อนท่านจะเสียชีวิตก็บอกเนี่ยเอาคุรานไปที่รถเป็นปอพีนเป็นภาษาอุดูในี่เป็น้องให้ผมผมก็อ่านทุกวันอธิบายอย่างนี้อัลกุรอานอยู่ข้างหน้าท่านพูดอย่างไนะอัลกุรอานที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยเป็นคำพีที่มีข้อตักเตือนกาซีรุนนาฟะกาซีรุลคอยรมีประโยชน์อย่างมหาศาลและมีความดีอันมากมาย แล้วก็ชัดเจนชัดแจ้งยิ่งกว่าคำพีเตาเระอนเสอีกเขาอธิบายอย่างนี้เลยนะคุณอ่านเล่มนี้ชัดเจนชัดแจ้งดีกว่าคำพีเตาเระอนเสอีกเป็นคำภีร์ที่บอกทุกเรื่องชัดแจ้งแบบนี้เนี่ยคุณยังปฏิเสธอีกหรืออ๋อชัดเจนชัดแจ้งดีกว่าคำพีเตาเร้อคุณยังปฏิเสธอัลกรุรอานอีกหรือ อ๋อพี่น้องพวกคุณยังกล้าปฏิเสธอัลกรุรอานอีกหรื อ, รอครับนี่ภาษาอุนดูอธิบายดีกล้าอธิบายเลยนะว่าคุณคำพีกุณอ่าอนชัดแจ้งดีกว่าคำพีเตาโรที่ผ่านนบีมูซาอัลิสรอานคุณอ่าอนดีกว่าพี่น้องครับอัชรอฟุลเป็นอัชรฟุลกุดบกุณอ่าอนเป็นคมพีที่ประเสริฐที่สุดนะี ในโลกนี้ไม่มีคัมภีร์ใดแล้วก็เหลือหลองเหลืออยู่เล่มเดียวที่ไม่มีการสังกายนาแก้ไขคุคคน้องอัลฮัมเราจภูมิใจนะที่เราอ่านอัลกุรอานวันนี้มาถึงนี้อัลฮัมดุลิลเราได้ประโยชน์เยอะมากนะคุณน้องสุภาพนกรลอฮุมะอัลเบฮัมดกสโลลัยละอิลลอันตะอัสตักลูรุกะวะอตูบิไลก์สัลมุลาุมะราะห์มัตุลลอฮ์วบราะกต